นะที่เสียชีวิตเพราะเขาค่าตัวตายอีกขาวหนึ่งนะก็เกิดขึ้นที่โคราชนะคือมีการทำบุญครบรอบยี่สิบเอ็ดปีของเหตุการ Plaza นะ์โรยเอพลาซาจำได้ไหมโรยเออพลาซานี่คือชื่ออะไรนะชื่อตึกชื่อโรงแรมนะที่มันถล่มลงมาเมื่อยี่สิบเอ็ดปีก่อนนะคนตายไปเกือบร0 0เกือบสองร้อยคน ข่าวใหญ่มากตอนนั้นแต่วันนี้มันก็เป็นข่าวเล็กๆนะเทียบไม่ได้กับข่าวโรบินวินเลียมถ้าใครที่ดูหนังฝรั่งนี่นะก็คงจะเคยผ่านตานะดูหนังของโรบินวินเลียมพราะเขาเล่นหนังมามานานทีเลยนะก็สี่สิบปีได้มั้งแล้วก็เริ่มดังมาเมื่อตั้งแต่สักสามสิบปีที่แล้ว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 โรคซมเศร้านี้มาจากไหนนะส่วนหนึ่งก็มาจากความเครียดเขาเครียดลึกนี้สินนะทีจริงเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่ใช้เงินอิรุยฉุยแฉกเท่าไหร่นะเป็นคนที่เรียบร้อยแต่ว่าอบังเอิญยายาสองครั้งนะยาแต่ละครั้งนี่มันต้องต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูเยอะนะเขาแต่งงานสองครั้งหรือสามครั้งมาแล้วก็ย่าไปสองครั้งนี้ก็ก็ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูให้กับอดีตภรรยาแล้วอาจจะรวมถึงลูกด้วย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 ซีรี่์นะไม่ใช่เป็นหนังโรงนะเปแต่เป็นหนังในโทรทัศน์ซึ่งราคามันรู้สึกว่ามันมันลดเกรดนะก็เป็นดาราใหญ่นะเรียกว่าติดอันดับนะระดับตุ๊กตาทองเลยแต่ว่าต้องมาเล่นอเป็นดาราในในหนังโทรทัศน์ก็รู้สึกว่ามันเป็นความร่มหลวของเขานะแต่ก็ต้องเล่นนะเพราะว่าไม่มีเงินเพราะเป็นนี่ ให้ความรู้สึกที่กดทับนี่แล้วก็หาทางออกไม่เจอก็ทำให้เขาค่าตัวตายอันนี้ก็เลยทำให้ตมาเป็นนึกถึงในตึกรอยัลพลาซาเนี่ยตึกรอยัลพลาซ่านี่มันเป็นตึกที่สูงหลายชั้นนะเป็นสิบกว่าชั้นได้แล้วก็ตอนแรกก็มันก็พอไหวนะแต่พอสร้างเพิ่มอีกหลายชั้น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 ตัวตึกร้อยชั้นก็ยังรับได้เดีย๋ยวนี้มีตึกที่สูงเป็นร้อยชั้นก็ยังไม่พังครื่นลงมาเพราะว่าฐานมันเข้มแข็งแข็งแรงอคนเรานี่ถึงยิ่งมีภาระมากนะยิ่งเด่นยิ่งดังยิ่งมีชื่อเสียงยิ่งต้องมียิ่งจะเป็นต้องมีฐานใจที่เข้มแข็งนะฐานใจที่แข็งแรงถ้าใจนี่ไม่แข็งแรงไม่เข้มแข็ง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 มีน้อยก็จ่ายน้อยมีมากก็จ่ายมากไม่มีก็ไม่ต้องจ่ายรอจ่ายวันหลังนะก็มีหลายคนนะเขามีหนี้สินเยอะแยะนั่นะเป็นพันพันล้านนะช่วงวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำแต่เขาก็ไม่ขาตัวตายเพราะเขาปล่อยวางได้ไม่ใช่ไม่จ่ายนะั่นแต่ว่าขณะที่ยังไม่มีปัญญาจ่ายก็ไม่เอามาแบกเอาไว้ให้ใจทุกมีเงินเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านนัะ้นนะอันนี้ก็เรียกว่ารู้จักปล่อยวางไม่ว่าจะเป็นหนี้สิน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 ไม่ใช่ต่อไปแม่งทุกวันนี้ก็ต้องระวังตัวนะว่าเรานี่จะเป็นอย่างตึกรอยัลพล a ซ a าหรือเปล่านะนะตึกใหญ่สูงแต่ว่าฐานอ่อนแอนะถ้าหากว่าฐานยังไม่มั่นคงก็อย่าไปเพิ่มชั้นให้มันมากนักหรือว่าถ้าจะเพิ่มชั้นให้มันมากหลายสิบชั้นก็ต้องเสริมฐานให้เข้มแข็งแข็ง แ, งแรงก็คือฐานใจนั่นแหละนะฐานใจก็ภาวนานั่นแหละสติ